ทรงอนุญาตให้บอกลาก่อนเข้าตระกูล298สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายเป็นไข่ต้องการเพศัตวแต่มีความยำเกรงอยู่จึงไม่เข้าไปหาตระกูลทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลําดับนั้นพระผู้มีพระภา ค, ารราคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้บอกลาภิกษุที่มีอยู่แล้วเข้าไปในตระกูลทั้งหลายได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิราบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้